ถ้ามันมีพระพุทธศาสนาแย่แเปล่งอยู่นะ้ประเทศก็อยู่ไม่ไดนะ้แต่หักว่าประเทศไทยถ้าหากว่าปวดขันในอบายมุขให้สมพระพุทธศาสนายิ่งจะเจริญขึ้นเดียวมากแต่ว่ามันรั่วแล้วเกินอบายมุขถ้าอบายมุขไม่รั่วก็เป็นคู่พระพุทธศาสนาก็เด่นขึ้นอีก มีอิทธิพลมีสิทธิ์ก็ดีมีปาฏิหารขึ้นที่ปาฏิหารมันเสียอิทธิพลมันเสียอกหจะนีเพราะว่ะอาวายาัยวะมมันมีมากถ้ารัฐบาลปิดเสียมันก็ปิดง่ายถ้ารัฐบาลไม่ปิดมันก็ปิดยากเพราะมันรั่วมาแต่ลังคาอืส่วนพระนัะ้นปิดแน่ นี่รัฐบาลยังไม่ปิดนี่แต่พระไม่รู้อีหนุ่ยอีนี่มันก็ไม่ปิดเหมือนกันล่ะมันไปบอกเขาอืมไม่รู้ไม่รู้อีหนุ่ยอีนี่ไม่รู้ศีลของตัวมันไม่รู้ปฏิปทาของตัวพอไปบอกเขาหาอุบายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่อุบายยังไมุกมีสำคัญ่าอุบายยามุกมันมันไม่เป็นที่เจริญของประเทศชาติด้านเมืองตลอดทั้งครอบครัวและบุคคลด้วยมันเป็นทางคิดหายทางเดียวไม่มีสารอุทธรณ์ ใช้ไปเสพก็ต้องคิบหาย ห, หมดคนทีนี้ก็มีความเห็นผิดกันเยอะ ว, วันก่อนนี้ผมก็คุยกับนาดคนที่มีความรู้เขาก็บอกว่าอย่างเขาเพิ่งจะเปิดคาสินโนอีกตอนนี้รัฐบาลพยายากห้ามอยู่นะฮะเขาก็บอกว่ า, วามันดีจะได้หาไรายได้ได้อะไรรายได้ที่มันเป็นธรรมมันก็นาลายเสียมาให้รายได้ที่ไม่เป็นธรรมไม่สมดุลแนวพุทธศาสนา รายได้ที่ปินเกลียวพระพุทธศาสนาเป็นมิจฉาอาชีวะทั้งนั้นรายได้ที่ไม่ปินเกลียวพระพุทธศาสนาเป็นมงคลอันอุดมดีเป็นสมากรรมมันตุการงานชอบเป็นสมาอาชีวะเรื่องชีวิตทอบเป็นสมาทิฏี่เห็นชอบด้วยเป็นสมาสังกปะดาริชอบด้วยถ้าผิดอันนึงก็ต้องผิดบท แต่ถึงอย่างไรก็ดีกว่าประเทศอื่นเพราะประเทศอื่นไม่มีที่จะอยู่จะกินใช่ไหมียนชันนประเทศไทยจึงไม่พออยู่พอกินก็ทานวัตรศีรวัตรภาวนาวัดของประเทศไทยมีอยู่ประเทศอื่นๆไม่ได้ดื่นท้อเถไม่มีทานวัตรศีรวัตรภาวนาวัดผลทานผลศีลผลภาวนาไม่มีก็มีเปียกเขี้ยวเียงเย็นค่กัน ลองน้ำตากันอยู่ทุกตันได้กูข่ามหกูน้ารพัดพระพุทธศาสนามันมันเป็นพระพุทธศาสนาทั่วโลกแต่ว่าโลกจะถือหรือไม่ถือมันก็เป็นเรื่องของโลกเข้าใจปิด ต, ต่างหากไม่ใช่พระพุทธศาสนาเข้าใจปิด นัใช่เป็นของประจำชาติเป็นของประจำโลกอนุตตรังปุญญเกษตังโลกัสาติเป็นนาบุญของโลกไม่ใช่นาบุญของแต่และชาติแต่และประเทศศาสนาใดๆไม่สามารถจะทรงพนามว่าอนุตตรโรภุริารสาธรรมสารติไม่ไม่สามารถจะทรงพนามว่าโลกวิถูนุยแจ้งโลกมีศาสนาพุทธนั้น ไม่หวั่นไหวเลยเพราะพระบรมศาสดาไม่หวั่นไหวเขาเป็นจริงเพราะเห็นจริงเพราะปฏิบัติเพราะปฏิบัติจริงเพราะรู้ชอบจริงถ้าเป็นทางจริงน้อยไม่มีคำเท็จผู้เอาปฏิปไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนควรค่าที่ปฏิบัติน้อยและมากไม่ไม่เสีย เขาเจีบน้อยเขเค็มน้อยเขาเก็บมากเขเค็มมากคิดเ ก, เกือผู้ยอมกินยายอมรักษาโรคน้อยโรค ก, ก็หายน้อยยอมรักษาโรคมากโรค ก, ก็หายมากมันขึ้นอยู่กับความยอมหรือไม่ยอมขึ้นอยู่กับความยินดีหรือไม่ยินดี แล้วผู้เทานาเป็นของสูงไม่ใช่คนอี่หนุวยอีนีจะมายินดีคนที่ได้วาสนาผู้เพยยกตะาปุญญ า, าไม่ได้ทาความดีไว้ในวางก่อนนิสยยปัจจยโยไม่ได้มีนิสัยในทางผู้สในปางก่อนก็ไม่เลือกสายอื่นเหมือนกันเราไม่ใช่ของต่ำๆที่บุต คนพุทธชนคนหนาที่จะมาเลือกใช้นักถือธรรมะของพอระบรมศาสดาเป็นธรรมะกายตัวทุกยุค ท, ท, ทุกสมัยของโลกพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาก็มาลงเอวยันหมดไม่ได้มาคัดค้านไม่ได้หาจินทางคัดค้านกันไม่ได้มีพักคัดค้านมีแต่พักอนุโมทนานทางพระศษษาสนาพระพุทธเจ้าสังหาร พระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อพระพุทธเจ้าทาั้งหลายที่ร่วงไปแลวที่จะมาในทางน้าก็เป็นพักที่อนุโมทนาไม่ใช่พักคัดคาดไม่ใช่พักหาเสียงเพราะลงเอ่ยกันเพราะทาบอรลีบูลไม่บกคล่องไม่ได้ถือว่ายุคนั้นคนนั้นชนดยุคนี้คนนี้ลาดพระเจ้าจองค์นั้นไม่ชนะท่าเรา พระเจ้าโอ ม, ม น, นี่มาตลาดเช่เราพระบรมศาสดาทั้งหลายไม่ได้ขวดดีต่อกันเป็นทรรมันเดียวกันหมดไม่ได้แก่งแย่งกันเลยไม่ใช่ใช้น้าเที่ยกาเพราะมันเป็นจริงอยู่แล้วไ ม, ไม่ไม่มีทางที่จะดักแปลงต่างคนก็ต่างจริงต่างคนก็ต่างเห็นจริงเสมอกันแลรกก็ไม่มีสิ่งที่จะคัดขคาดจะคัดคาดไปไหนพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้คัดขคาดกัน พระนยาสาวกทั้งหลายก็มาในคัดค้านกันพวกที่คัดค้านกันอยู่นี้ก็พวกโลกีทั้งนั้นกคำปั้นต่อคำปั้นเขาต่อเขาประชนกันพวกถึงโลภุตระเนี่ยมันในคัดค้านกันดอกนับแต่พระโสดาวันเป็นต้นไปมั่นไม่มีการที่จะคัดค้านพระโสดาบันต่อพระโสดาวันไม่ได้คัดค้านกันเล่นไวแต่ผู้ตุจลนับพระโสดาบันท่านั้น ถ้าจะคาถาคามีต่อพระกะาถาคามีก็ไม่คัดค้านกันพระโสดาบันก็ไม่คัดค้านถ้าคาถาคามีได้ไม่คัดค้านเพราะละหันด้วยพรายอมปฏิบัติตามเพราะท่านเหล่านั้นพูดมาไม่มีการแสลงธรรมะลงเอ่ยกันถึงจะปฏิบัติไม่ถึงก็ยังไม่ไมคัดค้านกันส่วนที่คัดค้า น, นตั้งพระวินัยอย่างนี่ที่พระวมรมัสสาตระตามพระวิ น, ยนัยก็คือพวกพุทุชนคนหนาที่ยังไม่ไถึง อริยเจนในขั้นหนึ่งเป็นส่วนมากทำของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจ้างไปทางไหนเป็นธรรมอันเก่าเอสะธรรมโอสนันตานุปเทสุอนุสุเตสุตเสตมสิจักุมธรรมจักขปวัตนสูตรเป็นของเก่าทางนั้นองค์ไหนมาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาเทศธรรมจักขปวัตนสูตร ลงเอวย ก, be ยก PG, น be ันยกชาติป <Huh? S 3> ิตุกขาชราปิตุกขามนรนามปิทุขังขึ้นเสือก็ไปเลยปฏิเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิตุขาอภีสัมปโยกูทุกขภีสัมปโยกูตุโขอันเดียวกันถ้ามจับอันเดียวกันศินห้าอันเดียวกันอนัตตลัคนาสูตรก็อันเดียวกันอธิตะปริยายสูตรก็อันเดียวกันไม่จะมีการดัดแปลงเลย ไม่เหมือนกฎหมไมกฎหมู่กฎพักกพวกก้อนไม้กฎ ห, หมู่กฎอพักกพวกแต่และยุคแต่และสมัยย่อมดัดแปลงเสมอๆตามกาลเทศะของโลกนี่มันในตามกาลเทศะของโลกมันหยับอย่างเดิมทำบาป ก, ก็เป็นบาปกิงทำบุญก็เป็นบุญบุญจริงมรรคผลใพภานก็เป็นของจริง กิเลสก็เป็นของจริงทางกิเลสไฟก็เป็นของจริงทางไฟเครื่องดับไฟก็คือน้ำเป็นของจริงเมื่อดับแล้วไฟก็ไม่ไหม้ไม่สามารถจะกําเริบขึ้นอีกกิเลสเหมือนกันถ้าได้เป็นสันคันแล้วก็ไม่สามารถจะกําเริบขึ้นอีกไมื่เหมือนไฟภายนอกไฟภายนอกสามารถจะเกิดขึ้นอีกได้ไฟภายในถ้าดับไปเป็นสันคันแล้วไม่สามารถจะเกิดได้ถ้าเป็นโลภุตละก sí ิจ ไฟพระสสดาบันดับไปมากแล้วไฟที่จะลนจิตล่นใจให้เป็นไปเป็นสัตย์าาที่ฉันทันก็ดับได้แล้วจะให้ไปเป็นเปรตอสุรกายท่านก็ดับได้แล้วจะให้ไปทุกขตินรกท่านก็ดับได้แล้วพิทบายาภูมิทั้งสี่เนี่ยภูมิไปแห่งเปีกภูมิไปแห่งทุกยากชั้นยาดหยาดนัด่นชั้นติดตูแล้วดับแล้ว วังนับเพลิงดับหมดแล้วมีธารวัดชีรวัดภาวนาวัดพุทธธรรมสงฆ์วัดมีพ่อวัดแล้วเออมาทั้งเจวาบุตรมาท่ทานเจวาบาเออข้างกันทานอาหารเนี่ ย, ยหรือ พากันมาถึงนี่แล้วมีอะไรก็พากันหาอยู่หากินหาใช้า ห, หานอนไม่ต้องถือว่าตนเป็นเขกเท่าที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่ยังไงเรามีสิทธิจะหามีสิทธิจะเอานี่านางานแก่นอาากั อ, อืม ปัจจัยยปัจจัย่เดี๋ยวเดี๋ยว้ม้้้คุคนคนประโมทก็ได้ประโมทเขาเคยกันหนักกับรุงงอมเขาดีกันดีเขาเคยมาอะไรั้งแล้ว คอันคือชิออนนาเจวายพรมสเที่ยอืลมคือ น, นาค่ะเจ้าวายพรมส อ, อืมทำดีทำชั่วทำให้ตนเองอนึกดีนึกชั่วก็นึกให้ตนเองนึกให้ท่านผู้อื่นก็เป็นเรื่องอื่นนอกไป นั่งก็นั่งให้ตนเองนอนก็นอนให้ตนเองนึกก็นึกให้ตนเองดีใจก็ดีใจให้ตนเองเสียใจก็เสียใจให้ตนเองลดของความดีใจในลดของความเสียใจคนอื่นมได้รับด้วยลดของความสงสัยและไม่สงสัยท่านผู้อื่นเ็าได้รับด้วยของใครของมันตนเป็นในพึ่งของตนก็คือใจเป็นในพึ่งของใจก็คือทําในในพึ่งของตรมมีความหมายอันเดียวกัน เราไม่ต้องสงสัยสงสายไปทางไหนหรอกเรามาท่องเที่ยวในวัฏจัสงสารก็มาใช่นี่ใช่ศีลของตนก็อันเดียวกันเพราะเป็นนี่เป็นศีลมาแต่ชาติก่อนพอสร้างอาวิชชาตันหาอุปทานไว้จนได้มาเกิดในครบนี้ถ้าเราสร้างต่อไปอีกเราก็จะมาเกิดอีกมาแก่อีกมาเจ็บอีกมาตายอีกมาวิโยคพัทธะอีกมาไม่สมประสงค์อีก ทำไมถึงว่าไม่สมผรสม์ในส่วนภายนอกไม่มีสิ่งที่จะผสมผสม์ส่วนภายในถ้าพ้านจากกิเลสแล้วผสมผสมค์ละถ้าพ้นจากกิเลสแล้วผสมผสมทุกๆประการพระหลังท่านสมผสมทุกๆประการท่านพ้นไปแล้วโดวยแก้แ็บตายไม่ได้มาอกแก้ปัญหาตกพวกจะแก้ปัญหายังไม่ตก ก, ก็คือผู้ท่องเที่ยวในวัตดทั้งสามยังแก้ปัญหาไม่ตก จำเป็นจะต้องมาเป็นหนี้เป็นศินของตนเองจะมาแก้ปัญหาเองปัญหาโลคปัญหาโกรธปัญหาหลงเป็นปัญหาชากันมากถ้าแก้ปัญหาโลคโกรธหลงแล้วปัญหาอื่นๆก็หมดไปหมดขันธมารมันคือปัญจขันธกิเลสมารมันคือกิเลสอรพิสังขารมารมันคืออรพิสังขารเทวปุตตมานมานคือเทวมันนะมารมันคือมันนะชนะกิเลสมารก็ชนะหมดอันเดียวกัน กร แ, แก้ปัญหากิเลสตกถ้าเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาหวังเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากหรอกก็มีนิดเดียวถ้าหวังจากจะต่อสู้ในทางอื่นปัญหาก็มีดาดื่นสมถะแก้ไม่ไหวใช่ไ ปัญหามีว่าเราเห็นภายในวัฏสงสารอย่างสิ้นที่น่าจะทุ่มเทความเบื่อหน่ายคายเมลในวัฏสงสารลง่มงะมีทานวัดมีศีลวัดมีภาวนาวัดให้เป็นข้อวัดประจำวันประจำคืนอยู่เพื่อจะวัดจิตวัดใจของเรากู้ความหลงของเรากู้ความฉลาดของเราคืนมาพราะในหลงท่องเที่ยวมานานเลยเข้าใจว่าจะเป็นที่ดีดังยังอยูนในวัฏสงสารอย่างนี้ ไอ้ที่แท้ก็มีแต่เกิดขึ้นแค่แปลกวัในแจกสลากไอ้ที่แท้ก็คืออา น, นิจังคองโลกอา น, นิจังเป็นพระเจ้าแผ่นดินของโลกเป็นพระบรมราชาในใจโลกกระทาปกครองอยู่ไม่จบกระเสียนเลยเกิดขึ้นมาแลแ้วแปลกวัวในแจกสลากอา น, นิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกตาผลของความไม่เที่ยงก็คือทุก เมื่อทุกแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครจึงเรียกว่าทุกถ้าอยู่ในอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดผู้หนึ่งมันก็ไม่ทุกกายจกระทุกทุกทางกายแต่เจตสิกทุกทุกทางใจพระบรมศาสตาสอนให้เว้นสอนให้ละกายจกระทุกทุกทางกายสอนให้รู้ตักเป็นจริงด้วยให้พิจารณาเป็นเครื่องหมายด้วยเจตสิกทุกทุกทางใจสอนให้รู้จักเป็นจริงไม่ให้เป็นทุกทางใจ ก็มาฐานแต่หลาอย่างหลาอย่างบันเทากิเลสได้หมดการไปการมาในวัฏสงสารก็ไปตามกรรมมาตามกรรมพวกที่แสวงหากุศลก็ไปตามกรรมมาตามกรรมคือกุศลก็จับเป็นกรรมเหมือนกันอากุศลก็จับเป็นกรรมเหมือนกันกัน แต่กุศลเป็นกรรมฝ่ายที่ควรเว้นกุศลเป็นกรรมฝ่ายที่ควรเจริญกรรมแปลว่ากิริยาที่ทําทําด้วยกายเรียกกายกรรมทํำด้วยวจีเรียกทําด้วยวาจายาวาจีกรรมทําด้วยใจเรียกเพรามโนุกรรมที่มีกายกรรมวาจีกรรมก็ดีผู้อยู่ใต้อํานาจของมโนุกรรมเพราะมโนกรรมเป็นนายกกายกรรมวาจีกรรมเป็นบาปควายรับใช้ จิตเหมือนนายกายเหมือนบา่าวาจาก็จัดเข้าในกายจัดเข้าในธาตุสี่ถ้าธาตุสีไม่สมดุลพูดก็ไม่ออกการที่พูดออกเสียงหรือกระดิกไปมาก็คือธาตุลมช่วยอยู่แล้วตลอดทงดินนะ้ำไปลมที่สมดุลกันร่างกายเปรียกเหมือนรถนั่นนั่น ของใครข้องมันกับแก้ตนเองหรือนั่นมันเป็นธรรมเทศนาตุกแกถ้าเราสมมติว่าตุกแกก็ถูกถ้าเราจะเทียบใส่ในทางธรรมะกลับแก้ตนเองถือถ้ามีกเกลียกก็แก้ซะ เราโชคดีอยู่ถ้าเราเกิดมาเราตายแต่ดเด็กๆ เ, เสียแล้วเราก็มาได้ปฏิบัติจริงทำโชคของเราก็ยังดีลมหายใจข้อข้างหนึ่งเป็นโลกรอบหนึ่งด้วยสังขารรอบหนึ่งเป็นกองทุกรอบหนึ่งเป็นอานิจจตาธรรมรอบหนึ่ง เป็นทุกขตาทำรอบหนึ่งอีกเหมือนกันเป็นอนัตตาทำรอบหนึ่งอีกเหมือนกันเป็นศินสมาธิปัญญารอบหนึ่งอีกเหมือนกันนะเป็นสติรอบหนึ่งอีกเหมือนกันเป็นสัมปชัญญะรอบหนึ่งอีกเหมือนกันเป็นปัญญารอบหนึ่งอีกเหมือนกันนะลมหายใจออกครั้งหนึ่งก็เหมือนกัน ขณะจิต ท, ที่นึกขึ้นแล้วนึกอันนั้นอีกอันนี้อีกเป็นนามมาขันเป็นนา ม, มาโลเป็นนา ม, มาทุกทำไมจิตถึงนึกอยู่บ่อยๆเพราะแสวงหาความสุขใส่ตนเมื่อในเมื่อในสุขอันนั้นอันนี้คนนึกไปจะพึกจะคือจารพัตนเพราะนึกแสวงหาความสุขของตนจิตใจกติติติกเหมือนกัน แต่ว่านึกไปทางดีก็พอยังตัว้วถ้านึกไปทางตั่วทีนี้ผลควบควมเชื่อเขาไหลมาหาจิตดีใจว่าดีใจก็ไปดีดีใจในอามิ m i t งนอกไม่เหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันดีใจทีละกิเลสแล้วสกทาคามีก็ดีใจทีละกิเลสมาเป็นชั้นๆอ น, นาคามีก็เหมือนกันท่านหันดีใจแล้วดีใจในเรื่องในดีใจ ในนิรามิต ส, สุขสุขไม่อิงอามิตรสุขไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงก็มีดีใจเหมือนกันเพราะโรคโกรธหลงได้เว้นแล้วได้เห็นโทษแล้วจะก่อนเคยหลงกระโดดลงในลุ่มฐานเพิงแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ไปละเอาเว้นแล้วจะก่อนเคยตก อยู่ในลุมมูด ล, ลุมพูดเดี๋ยวนี้เราปีนป่ายขึ้นมาแล้วเราไม่เสียดายอยากลงไปอีกเลยพอริยเจ้าต้อง เ, เป็นอย่างนั้นแต่พวกเราดีใจเสียใจเป็นส่วนมากก็ดีใจเสียใจในวัตถุภายนอกไม่ใช่ดีใจเสียใจในด้านมรรคผลที่ผ่านแต่ก็มีเป็นส่วนน้อย หน้าที่เกิดเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านละท่านหน้าที่เก่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านละท่านหน้าที่เก็บก็เป็นหน้าที่แต่ละท่านละท่านหน้าที่ตายก็เป็นหน้าที่แต่ละท่านละท่านหน้าที่วิโยคัดภาคก็เหมือนกันของใครข้างมันเองแต่เมื่อมาพบมาเห็นมาเจอกันแล้วจาเป็นก็ต้องทุ่มเทความเข้าใจตามจริงจริงด้วยปฏิบัติตามจริงจริงด้วยลุดท้นจากความหลงตามจริงจริงด้วย เพื่อเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานไปครับท่านผู้เข้าสู่อนุปาทิเสสานิพานไปมากกว่าแ ม, ม่ทิพยม่ชายตายในท้องมหาสมุทรไม่ว่าแต่สีมหาสมุทรร้อยโกรดมหาสมุทรนับทั้งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมากกว่าร้อยโกรดจะมาในข้างหน้าเขามากกว่าร้อยโกรดนี่ทำมันเดียวกันมีข้อวปฏิบัติอันเดียวกัน ก็มีกิเลสอันเดียวกันก็มีเครื่องละกิเลสอันเดียวก่อนเมื่อพ้นแล้วก็พ้นอันเดียวกันมีรสชาติเป็นอันเดียวกันไม่แตกกันวิชาใดๆจะดีเด่นในลูกจะเพียงไหนก็าตามถ้าอวดดีต่อพระพุทธศาสนานี้วมันก็เท่ากับว่าอวดดีต่อฟ้า หรือคางพบอวดดีจะเบกวัญยางหรือแม้ดพันประกาศจะอวดดีต่อภูเขาหิมาลนยจะคว้างใส่ให้ภูเขาหิมาลนยสะเทือนสะท้นานก็ไม่ได้หรืออุปมาเหมือนหมาจิ้งจอกเห่าราชสีสี ศาสนาอื่นมีด่าดื่มท้งเทงเ้าไม่สงสัยเลยถ้านาคิดหนึ่งเราก็ไม่เลื่อมใสแอ่เราก็รู้จักชัดอีกด้วยเขาจะออกลิงออกลายสักเพียงไรก็ต า, ามเขาไปมามรอดเมื่อเขาไปมามรอดเขาก็มาเอาคํามาขโมยเอาคําสอนของพุทธศาสนาไปเป็นคําสอนเขาบ้างเพื่อจะหลอกคนโง่ให้เลื่อมใสในเขา เราไม่เป็นเนื้อเราไม่เป็นปลาเราไม่ไปเราไม่เป็นไกฟ้าที่พอที่จะไปติดขายของนายพานที่ดักไว้ที่เอาข้าวโปยรอไว้เราไม่เป็นปลาถึงเป็นปลาเราก็จะเป็นปลาที่ฉลาดไม่ไปกินเบ็ดของเขาเพื่อปลาโง่เอาไปกินเบ็ดของเขา ถึงเป็นไก่หรือเป็นนกก็จะไม่ไปติดบ่วงของนายพานที่เอาเหยื่อล่อไว้พระพุทธศาสนามีอิสระให้เห็นเองไม่ต้องเอาอาิต์มาล่อ ถ้าเอาอมิตรมาร่อจะเอาที่ไหนมาร่อชนะชนังันมีกิเลสอยู่เมืองพอก็ไม่มีทำไมพระอรหันต์ถึงมีเมืองพอก็พอแล้วพอเบื่อแล้วนายแล้วในใจโลกธาตุหาที่ไหนจะที่รังยังยืนไม่มีจึงไปพบแต่เมืองพอคำว่ า, าพอในที่นี้หมายความว่าเบื่อหน่ายคลายเม่าแล้วก็พอแล้ว เบื่อหน่ายคายมองในวัฏจัสรสงสารเอาเงื่อนไหนมาเบื่อหน่ายคลายมองในวัตจากรสงสารก็พิจารณาอันไม่เทียงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพิจารณาอันเกิดขึ้นแปลว่าในแต่ลลายพิจารณากองทุกข์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เบื่อก็หน่ายก็ไปถึงเมืองพอเท่านั้นเมืองเคล็ดลาบอีกด้วยไม่อยากมาอีกแต่พบเมืองเคล็ดลาบพบอยู่ที่เมืองใจพบอยู่ที่เมืองปัญญา ปัญญ า, าปญริสุขจิตจะบริสุทธิ์ชั้นไหนๆก็เพราะปัญญาปัญญาโลกัะเสวีปโชตตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเดี๋ยวนี้หลวงปู่มองดูโพเขาทะลุหมดมองดูพมาโลกก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้มองดูพวกรัสเซียก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้มองดูอเมริกาก็เห็นอยู่ มองดูใต้พื้นก็เห็นดูหมดเห็นรอบใจโลกกระทานเลยก็เห็นด้วยวิธีไหนสมัญตจักรุจักรุรอบพอ่อไม่ใช่ตายจักรสุไม่ใช่ทิพยจักรสุภายนอกกัญญาจักรสุสุสจักรสุคือกัญญาเห็นความแก่ขณะคิดหนึ่งก็เห็นรอบโลกเห็นอนิจจังขณะคิดหนึ่งก็ ทะลุภูเขาหมดทะลุทะเลหมดทะลุฟ้าหมดเพราะเต็มไปด้วยอันนี้จังนั่นถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ทิ้งความสงสัยในโลกอันนี้โกหกพลกลมตนเองอยู่เสมอเสมอล้วถ้าเห็นชัดอย่างนี้เราไม่โกหกตนเลยสําหรับโลกเห็นชัดเห็นทางนามสกุลมันด้วยเกิดขึ้นแล้วแปรปวนนั่แต่ถลายนามสกุลผลลายนับก็คือทุกข์ ถ้าพยายามถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็ น, ปนบุคคลโลกมีนิดเดียวปัญหาของโลกถ้าปัญญาของเราสูงแล้วเห็นดินขณะนิดเดียวก็เห็นโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยธาตุดินเห็นน้ําขนาดจีนเดียวก็เห็นโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยนะ้ํา หน้าภายนอกมันมีปัญหาหน้ากิเลสเป็นของสําคัญนะเห็นไฟขณะคิดเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยไฟธาตุไฟแต่ไฟกิเลสเป็นของสําคัญอกีกว่าไฟไฟภายนอกเห็นลมขณะคิดเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยธาตุลมแต่ว่าเมื่อหลงลมแล้วหลงอารมณ์เป็นไฟอีกเหมือนกัน น่อันนี้เจตตาความนของไมทียทุกขตาความเป็นทุกข์อ น, นัตตาความนของไม่ใช่ตน น, นี่แหละหลักสำคัญในทางนาพุทธศาสนาที่จะทำลายอาวิชชาตัณหาอุปาทานดาบดวงกล้าอะนี่ลูกระเบิดปรมาูลอะนี่ ทำลายโลกทำลายความหลงเลยโลกคือความหลงคือโลกโกรธหลงโลกทั้งหลายมาแย่งชิงกันต่างก็แย่งชิงสังขารแย่งไปแย่งมาก็เกิดแปรปวนแจกสลายหมดถามมันดูสิ แน่ใจโลกธาตุน่ยมันเป็นของใครดินน้รรําฟ้าลมเป็นของใครมันไม่รับปฏิญญาและไม่ปฏิเสธด้วยแผ่นดินแผ่นฟ้าก็เหมือนกันใครจะยึดถือเป็นเราเป็นเขาเป็นสัต ว, เตว์เป็นบุคคลสักเพียงไในก็ตามเพราะไม่รู้จักอีหนูอีนีแต่ว่ากิเลสทั้งหลายก็กูเอามึงเอากูก็เวนเสน้องเวนภัยเสีน้องภัยอยู่ในวัฏจักรงศารอันนี้ไปไม่ได้เหตฉะนั้นพระบรมศาสตาร์ดำ จึงทรงตัดเวรตัดภัยด้วยปานาทิบาตุนาตามเมมุสาสุราปิตตนมาถาม้าแม่ละเหล่น า, น า, น า, านี้แล้วก็เวรสนองเวรภัยสนองภัยเหตุฉะนั้นจึงว่าเวรแลวิรัตเวรแลมณีเว้นไปแล้วเวรจากนี้ชิขาประทังสมาธิามิเป็นชิขาบทอันหนึ่งมองดูหน้ากันก็สนิทไม่เอ่ยเอามึงเก่งวะ เอาเอฟที่พบกูมาไม่ได้ว่าอย่างนั้นประสมสายตา ก, ก็กันก็เป็นที่สังเวชใหนก็มีอายุว โ, โนสุขังพลังให้พรกันเอกพุทธมนุรักเทนเห็นกันก็เหมือนลูกพ่อเดียวไม่เดียวกันเพราะไม่มีโทสะเพราะไม่มีความขี้หึงมีแต่เมตตาประจําจิต นอนก็หลับดีฝันก็ไม่เห็นรามกอันชั่วร้ายไม่ใชุ่่งผวาไม่ระแวงกันความละแองกันเป็นทุกข์ใจที่สุด่างก็มีศีลเสมอกันแล้วจะระแวงใจกันที่ไหนไม่มีการละแองเพราสศีลเป็นเครื่องรักษาศีลเป็นเครื่องรักษาใจ คิดแรกใจยอมรักษาศีลสาธรรมถ้ารักษาไปพอพอทำศีลก็รักษาใจคิดแรกเราก็ยอมกั้นล่มล่มจึงยอมกั้นเราถ้าเราไม่ยอมกั้นร่มเชื้ก่อนล่มก็ไม่ยอมกั้นเราอีกเหมือนกันเรายอมนุ่งผ้าเชื้ก่อนผ้าจึงยอมนุ่งเราเรายอมทานอาหารอาหารจึงยอมอยู่ในท้องของเราอันเดียวกัน นี่ยังเป็นของแายนอกอูอุบายอะไรที่จะเบื่อนายคลายเมาร์วัฏสงสารผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในธาตก็ทุ่มเทลงเท่านั้นผู้หวังจะเกิดอีกในภพบต่อเนื่องก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมีทานวัฏชีระวัฏใจตามจิตกำลังก็พอหรือมีสิ้นห้าประจำา พวกที่มีสิ้นห้าประจำก็เป็นฟารียาบุกวนแร้วก็ไม่เกิดอีกนานหนึ่งชาติสามชาติอัธรรมมาที่ยันติไม่ถืออาภพที่แปด เรามาทิ้งร่างกระดูกไว้ในวัดตสสาทรงศาลเออมันนับไม่ไว้เสียแล้ว เ, ออเรามาสวยทะเลทุกในวัดตสสาท่งศาลไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่าที่เราเคยมานั่นเองแล้วใครจะเป็นของใหม่ปู่เจ้าก็พวกเราเคยมาตายอยู่ในนี่มากแล้ว มาเกิดมาเก่มาเก็บมาตายอยู่นี่มากลแล้วแทนดินที่ไหนที่เราจะไม่ได้ไปเกิอดอยู่ไม่มีดอกไม่ไปไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ชาติหนึ่งก็ต้องชาติไม่ชาติสัตว์ที่ดิฉานก็ชาติมนุษย์เขาพระเทธศาสนา เป็นผู้พระพุทธศาสนาสอนให้ออกจากลูกลูกในไตรโลกธาตุก็คือคุกคือตารางเราดีๆนี่เองวิชาสอนให้ออกจากคุกคุกเกิดคุกแก่คุกเก็บคุกตายคุกเหิวคุกหยาบคุกหายใจเข้าออกคุกทนในยาก รถของความเกิดแก่เก็บตายรถของการท่องเที่ยวในวัฏสงสารศาสนาจรก็คือรถทุกข์เราดีๆนี่เองรสชาติของมันแต่ความชินเคยเพราะหัวละก ร, รกำรรชินก็เถือเป็นของธรรมดาไปซักแต่มันก็เป็ น, นาทุกข์เราอยู่ดีๆนี่เอง ดักเห็นเวลามีน้อยหรือมากก็ต้องดูชีพจรเถอถ้าชีพจรไม่เดินไม่เดินก็หมดเวลาในชาติหนึ่งแล้วใครจะรับประกันได้ว่าชีพจรจะเดินไปอีกกี่วันและกี่นาทีก็ไม่มีใครรับประกันได้ต้องให้ใจเขาออกก็โดยในนั่นน้ำตาล หายใจร่วมสังขานมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่สมประสงค์นั่งขาดไม่ใช่แลกคอยไม่แน่นอนเลยแน่นอนแต่ทางที่มาเทียวทางที่เที่ยวไม่แน่นอนมีพระในพานแห่งเดออียวมาแล้วดีนีนั่งมาแล้ว คนหนึ่งมาเถียงบอกว่ากระผมมันสมประสงหมดแล้วอะไรก็สมประสงหมดนี้ทีนี้คุณอยากแก่ไหมไม่อยากครับคุณอยากเก็บไหมไม่อยากครับคุณอยากตายไหมไม่อยากทะทไมถึง่าสมประสงมันไม่สม <c oughs> ที่เข้าใจว่าคุณสมประสงแล้วคุณเข้าใจผิดต่างหาก เออยกขงขาวโยนแนละทีนี้กิเลสของคุณนึงละได้หมดแล้วหรือยังโลกโกลงของคุณมีผู้มาด่าเดี๋ยวนี้คุณจะด่าตอบมีผู้มาชกเดียวนี่คุณจะชกตอบเขาไหมถ้าคุณชกตอบเขาหรือด่าตอบเขาเนี่ยคุณก็ไม่สมประสงค์ ถ้าคุณสมประสงแล้วกิเลสของคุณก็ต้องหมดไปถ้าอ น, นิจจเจ้ากับพวกเดียวสมประสงคออยอมเี้คนหนึ่งก็มาถามอีกว่าอัตาอตาอนัตตานั่นอย่างไรครับ อัตตาก็เป็นจริงตามอัตาอตาอนัตตาก็เป็นจริงตามอนัตตาสมมุติก็เป็นจริงตามสมมุติวิมุตติก็เป็นจริงตามวิมุตติเราไม่ต้องไปเป็นสงครามกับสมมุติแล้ววิมุตติวิมุตติและสมมุติเขาไม่ได้เป็นสงครามกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าเขาเป็นสมมุติและเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าเขาเป็นวิมุตติพราะรำส่วนนั้นเป็นของจริงอยู่แต่ทําไมถึงบัญญัติบัญญัติตามเป็นจริงที่พร้อมมีอยู่ อดีตอนาคตปัจจุบันใครเป็นเจ้าของก็เป็นสภาวัธรรมอันละเอียดอยู่เฉยๆไม่มีใครเป็นเจ้าของอดีตก็เป็นจริงตามอดีตอนาคตก็เป็นจริงตามอนาคตปัจจุบันก็เป็นจริงตามปัจจุบันจิตก็เป็นจริงตามจิตกายก็เป็นจริงตามกายเมตนาสัญญาทั้งขานวิญญาณก็เป็นจริงตามจริงหลาอย่างลาอย่างแต่พระบรมศาสดาสอนมาให้เข้าไปสอนแทอนจิตถือเอาเป็นเจ้าของทำชั้นสูง ถ้าไปยึดถือเอาเป็นจ้าของเราเป็นก็เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นวัตฏะวนเวียนกันอยู่ไม่มีที่จบสิ้นทำเช่นสูงทำเช่นสูงในวิปัสสนาสุระเหตุนั้นท่านผู้พ้นไปแล้วท่านจึงไม่ติดอยู่ในอดีตไม่ติดอยู่ในอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วย พิจาจนาลมออกลงเข้าเขาเป็นแต่สักว่าลงพิจารณาอานิจังเขาเป็นแต่สักว่าอานิจังไม่สําคัญว่าตนเป็นเจ้าของอนิจังไม่สําคัญว่าอานิจังเป็นตนไม่สําคัญว่าทุกเป็นตนตนเป็นทุกไม่สําคัญว่าทุกเป็นคนอื่นคนอื่นเป็นทุกเห็นต <sm art> <c oughs> ามเป็นจริงสลับตามเป็นจริงใครเป็นผู้นั่งอยู่เดียดนี้่พระนิพพานไม่ไดมานั่งด้วยสังขารเป็นทุกมานั่งใครเป็นผู้พูดอยู่เดียดนี่ ก็สังขารเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังก็สังขารเป็นผู้ฟังพระนิพพานไม่ได้แย่งมาแย่งฟังด้วยไ ม, ไม่ไม่มาแย่งพูดด้วยไม่มาแย่งดีแย่งตัวด้วยไม่มาสาคัญตัวสลาดหรืองโง่ด้วยพระนิพพานนะนเป็นเรื่องของสังขารจ่างหาเป็นเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานต่างหา เป็นเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเพื่อตัวแจ้งพระนิพพานต่างหากเป็นเรื่องของสังขารธรรมต่างหากนามเป็นเปรตเฝ้าล่างกระดูกอยู่หลายพบหลายชาติในกิเลสใครเป็นเปรตเฝ้าสร้างเฝ้าเฝ้าร่างกระดูกก็คือกิเลสนั่นเองพระนิพพานไม่ได้มาเป็นเปรตด้วย ก็คือความหลงนั่นเองก็คืออวิชชานั่นเองคือความโง่นั่นเองก็คือตัณหาความทะเยอทะยานในพวกในชาตินั่นเองก็คือกรรมนั่นเองก็คือผลของกรรมนั่นเองก็คือผลของเหตุนั่นเองพวกเหตุพวกกรรมพวกวิบากวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารพระนิพพานข้ามเหตุข้ามกรรมข้ามวิบากไปเลยพระรู้แจ้งในเหตุพระรู้แจ้งในกรรมพระรู้แจ้งใน อิบากโน้แจ้งในทั้งเขียนทั้งลบด้วยไม่ติดอยู่ในเขียนด้วยไม่ติดอยู่ในลบด้วยไม่ติดติดอยู่ในกินด้วยไม่ติดอยู่ในถ่ายด้วยไม่ติดอยู่ในโง่ด้วยไม่ติดอยู่ในฉลาดด้วยไม่มีสิ่งที่ติดด้วยเพราะขี้เกียจติด ถ้าเบื่อในการติดแล้วรู้เท่าทันรู้ทันรู้เท่าวันคืนเป็นวันคืนของใครปัจจุบันเป็นปัจจุบันของใครอดีตเป็นอดีตของใครอนาคตเป็นอนาคตของใครสมมติใช่กันเฉยๆนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอดีตไม่มีใครเป็นเจ้าของอนาคต ไม่มีใครเป็นเจ้าของปัจจุบันที่เน้นลงในปัจจุบันก็เพื่อจะให้ปฏิบัติปัจจุบันให้เห็นให้ชัดเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเพื่อข้ามอดีตเพื่อข้ามอนาคตเพื่อมาให้หลงในอดีตเพื่อมาให้หลงในอนาคตต้องอาศัยปัจจุบันดูถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีข้อวัดเหตุฉะนั้นศีลจึงมารวมอยู่ที่ปัจจุบันนะศีลสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันหนังสือแผ่เมตตา แกเขาไปเขาถามหาอีกบอกหมดแล้วคนเราถ้ามีเมตตาก็าพอมองดูหน้ากันได้พอปฏิบัติธรรมสะดวกถ้าไม่มีเมตตาเฉยเลยการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีปฏิบัติไม่สะดวกละคำสอนของพระบรมศา ส, สดาแต่ละวรรบาดมีเมตตาสัมพยุตอยู่ถ้าไม่เมตตาคนเราพระบรมศา ส, สดาจะสอนทาไมน่น นับแต่น้โมไปก็มีเมตตาสัมปยุทธ์ดูถ้าไม่เมตตาโกโรุณาพระบระมาศาสตรายจะสอนทําไมเพราะสร้างบารมีมามากก็เพราะวางเมตตาโกโรุณานนัเองเห็นศัตรูทั้งหลายท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอยากจะรื้อศัตว์ทั้งหลายออกจากโลกจากโกรธจากหลงคือวัดตาสงสารของตนเองนั่นมหาเมตตามหากราุณามีอยู่ทุกบททุกบาทสัมปยุทธ์กันอยู่ รสชาติของเมตตาย่อมมีอยู่ทุกคําสอนทุกบททุกบาทเลยถ้าไม่เมตตากรุณาพรบรมศ า, าศาสดาจะทรงสัตรตร่งสอนทําไมนะมาเถิดลูกหลานเอ๋ยแบบ้ายๆก่าคําสอนแต่ละบทละบาทเรียกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนล่องอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนมาเถิดลูกหลานเอ๋ย อที่นั่นเป็นที่วนวายที่นั่นเป็นที่คัดข้อมาที่นี่เถิดมหาหลวงพ่อเถิดมหาหลวงตาเถิดมหาหลวงปูเ่เถิดหลวงปู่สิทธัตถะหรือหลวงปู่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่นั่นวนวายที่นั่นคัดข้อที่นี่เป็นวนวายที่นี่เป็นคัดข้อเพราะไม่มีเวรเพราะไม่มีภัยมานี่เถิดลูกๆละลานเ อ, อ๋ยเข้าข่กับว่าพระบรมาสารีรัตน์หรือพออระอริยเจ้าทั้งหลายต้องเรียกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ทำแต่ละบทละบาทอย่าว่าร่องเรี่นกาสถาคตหาความสุขในแต่ลกราทัเก่งกว่าลูกลูกห ล, า น, ลานแล้ว ล, ลูกลูกหลา น, ลานอย่าไปหาแข่งสถาคตเถิดไม่มีดอกรีบเบือ่อรีบหนายเรียบคายรีบเมาถอนพิษถอนสงออกจากขันท่าชันดานซะให้ลูกแก้แทจตลอดซะ ให้เบื่อหนอ่ายคายเมาในวัดตาสงสารเสียมาเถิดมาเถิดมาเถิดจะไปอวดดีต่อพ่อเลยพ่อหาความสุขในใจโลกธาตุพอแล้วมันไม่เจอมันไม่พบมันไม่ปากมันไปเจอแต่อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเกิดขึ้นแล้วแปลโพนั่นแตกกรายเหตุฉะนั้นจึงได้ลาสังคมออกจากตจโลกธาตุไม่ต่อสู้อีกไม่เล่นอีก ทำจิตทำใจให้เอื้อมละอาให้เค็ดให้ลาบไม่มาหลงเอกพราะเค็ดลาบในหลงแล้วข้ามทะเลหลงแล้วสัวรับหนึ่งเดียวเพื่อความฉลาดมาพอแล้วก็ข้ามความหลงเท่านั้นความสว่างมาพอก็ข้ามความมืดเท่านั้นสัวรับหนึ่เดียว พระบรมศาสดาข้ามอย่างนั้นนอกจากพระบรมศาสดาแล้วไม่นอกจากศาสนาพุทธแล้วจะไม่ยอมให้ศาสนาใดๆมาร้อยจมุกเลยนะเออนี่จะต่างจะอะไรข้า ดูดูที่ไม่เคยเลยอนีก็กรุงเทพไม่ได้เคยไม่ได้เคยองอย่างนี้หรอกไหนๆก็ขึ้นรถวิ่งไปปื๊ดๆเลย ก็รุงเทพมาทรามานกำลงปู่เห็นกองทุกจะเคลีหลาบแล้วเองมีฝ่ายึ้นขเขาลูกปู่อยู่นี่ยี่ที่แปดปีลูกๆร้านมาเลยมาเอาเดียวนิดเดียวเพราะไม่เคยเป็นทุกข์เหมือนลูกปู่เคยสนุกไปที่ไหนก็ขึ้นรถ ไม้แต่ต า, ากแดดไม่ได้กรรมเดดกรรมผลอยู่อย่างสบายสบายที่นี่อยู่สบายหลายก็เบื่อหน่ายกรุงเทพก็ออกมาเที่ยวที่นี่ออกมาเที่ยวทรมานบ้างปีนขึ้นเขา กรุงเทพพระหันคือพระนิพพานกรุงเทพพระอนาคามีคือชั้นอวิหาอัตปาสุาสัสสัสสุสตีอาจาริจกากรุงเทพพวกที่ถือไม่มีบาไม่ีบุญก็คือนรกเราดีนี่เองพระนครหลวง คำสั่งและคำสอนสอนโลกภายในคือกายสอนสังขานภายในคือกายสอนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในคือสกุลละกายสกุลละรูปสกุละนามของตัวเราเอง น, นี่เองหรือของท่านผู้อื่นสัตว์โลกโลกคือมูสัต มือชัดก็จับเป็นโลกหนึ่งจับสี่เท่าสองเท่าจับเสือบจับคางจับไว้ในน้ำดําในดินบินในอากาศจะเป็นโลกอีกหนึ่งโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินอากาศโลกโลกคือแผ่นดินก็จับเป็นโลกอีกเทวมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ก็จับเป็นโลกหนึ่งอีกเทวาโลกได้แก่ ชะกามาภระเจ้าหกท่านก็จับเป็นโลกอีก yup. ภพมรโลกได้แก่รูปประพมสี่พงท่านก็จับเป็นโลกอีกกับรูปประพมสี่ท่านก็จับเป็นโลกอีกเรกทั้งร้ายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเคลียร์เกิดขึ้นนี่ก็ไปควรจะแจกสลายไม่กี่ดังยงเวียนเป็นยุบเป็นยุบเป็นยุบเป็นยุบเป็นยุบเป็นยุบเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอด ทั้งอดีด้วยทั้งอานาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยผู้ขาดจองขานไม่จบระเสียนด้วยที่นี้โลกภายในตาก็เป็นโลกภายในหูก็เป็นโลกภายในจมูกก็เป็นโลกภายในลิ้นก็เป็นโลกภายในกายก็เป็นโลกภายในใจก็เป็นโลกภายในพระชัดทั้งหลายหลวงวนเรียนอยู่ในโลกหน่วยนี้นั่นเรียกว่าอัจชริโลกโลกภายใน โลกภายนอกพระฮิตทาโลกโลูกเสียงกลิ่นรสผดสพะธํรมารมโลกภายนอกชัดทั้งหลายก็หลงกันอยู่นี้ว่าเราว่าเขาว่าเราบุคคลตัวตนเราเขาโกนเวียนกันอยู่นี้เนี่นเทนะพระนารันดรเจ้าทั้งหลายจักพุทธมิงเป็นใน้บินสติจึงรู้ทันตา รูเปสุเป็นนิบินสติรูธันรูไม่หลงในรูไม่หลงในตาเบื่อหน่ายในตาเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในพัสะเวทนาตัณหาอุปาทานอีกเบื่อหน่ายจนถึงมนัเสีิงเป็นนิบินสติเบื่อหน่ายในจิตใจอีกด้วยเบื่อหน่ายในธรรมะทั้งหลายที่ไหลเข้ามาหาจิตใจด้วยเพราะเป็นธรรมะฝ่ายสังขานเพราะเป็นจิตใจฝ่ายสังขาน เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายเมาก็รุดพ้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคิดที่จะทําอีกไม่มีละอยมาชาตินัตถิทาคุณพุทโธติภพของเราไม่มีต่อไปอีกกามาพบลูกก็พบอารูป ก, ก็พบไม่มีอีกวิญญาณปฏิสนธิก็ไม่แปไปปฏิสนธิที่ไหนอีกก็จบกันเพียงแค่นั้น เอสวันโตทุกขะะเป็นที่ชุดเห่งกองทุกก็บัญญัติได้เพียงว่านิพพานเท่านั้นเพราะตัดเพลินแล้วเพราะตัดเพลินแล้วต้สงสารตัวเรียกว่านิพพานเพราะเย็นดับสนิทเทียบได้ว่าเย็นเย็นแทนดับสุกแทนดับดับทุกหมดแล้วเหลือแต่สุขที่ไม่เกิดไม่แปร่พวนไม่ดับไป สุขอะไรอะไรที่เกิดขึ้นแล้วแปลปวงนั้นแตกสลายสุขอันนั้นไม่ใช่สุขพราเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์สิ่งที่เที่ยงไม่ได้กลับเป็นอันอื่นก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นสิ่งที่สุขก็เป็นสุขอยู่ไม่กลับมาเป็นทุกข์เทนิทานที่เราบัญญัติว่าสุขในโลกเราก็บัญญัติกันเรื่อสุขอะไรจึงจะกลับมาเป็นทุกข์อีกทุขเกิดทุขแก่สุขเก็บทุขตายไม่มี ท่านีิโตคะละมาวสังกด็ดีผู้ครองเรือนทุก ข, ของคารวาสก็มีสี่ท่านั้นทุกเกิดแต่ความไม่รัพ์ทุกเกิดแต่กาทรั์บริโภคทุกเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินทุกเกิดแต่ทำงานการงานที่ปฏิจากโทษถึงแม่ทุกเท่านี้ ก็ยังไม่ที่ยงเกิดขึ้นในแปรปวนตั้งแต่สลายอีกเหมือนกันทุก ข, ของคารวะมีเท่านั้นสูงสุขของบรรณชิตสุขถึงพระสวสดาบาลาาาสุขถึงพระอนาคามีสุกถึงพระอนาคามีสุกถึงพระอรหันตุก้าวหน้าจะพุทเลยไม่กลับมาทุกข์อีกทะลุทุกข์ไปหมดแน่ไม่กลับคืนมาทุกข์อีก สุกในอามิต h จะกลับมาทุกอีกพระอามิ t h อยู่แด้อําน้าอันที่จังเมื่ออามิ t h แตกสลายไปแล้วก็เสียใจเมื่อเราแตกสลายก่อนอามิต h ท, ท, ท, ท, ที่เราหวงเห็นไว้เราก็เสียใจอีกเพราะเรายังไม่พ้นความเสียใจเพราะเรายังพิการสิ่งนี้ยังไม่พอยังไม่ทันเบื่อหน่ายยังถือว่าของกูของกูของกูอยู่เหมือนนกเขาออไปจับตัวนี้ก็ของกูของกู ฟักใสเขียงก็เถียงขึ้นมาของกูของกูกูกูกกูอยู่อย่างนั้นน่ะก็ตายคากูอยู่อย่างนั้นนั่นที่เราหลงในวัาสงสารเท่าใดเราจะชนะสะสางให้มันหมดชนะความหลงของตนเป็นดีชนะความหลงของตนก็คือชนะโลกนั่นเองก็คือชนะจิเลศนั่นเองนะ ไม่ต่อสู้กับความหลงของตนแล้วไปต่อสู้ของภายนอกไม่ถูกเขารบลาฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันนี่เวนสนองเวนภัยสนองภัยใครจะชนะใครไม่มีหรอกมีแต่เวนสนองเวนภัยสนองภัยอเมริกาอเมริเคนก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกรัสเซียรัสชาหรือมีขาวมีเขียวก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลก มีแต่ความตายกับทุกข์มันเป็นเจ้าโลกพากันมาสนองแก่สนองเก็บสนองตายของใครของมันมไม่มีใครเป็นเจ้าโลกจีนก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลก ม, มีแต่ความตายเนี่เป็นเจ้าโลกมีแต่ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกพวกเราจะมาหวังอะไรเป็นสุขในโลกไม่หวังแต่ว่าความจำเป็นมีก็ทำไปเฉย พอได้พ้นจากวัตตาสงสารฮะเอาทรัพย์ภายนอกเพื่อจะแรกเอาทรัพย์ภายในเพื่อปฏิบัติสะดวกถ้าอย่างนั้นปฏิบัติไม่สะดวกไม่มีกินไม่มีอยู่แล้วปฏิบัติไม่สะดวกไม่ได้หมายว่าจะมาเป็นเปรตเฝ้าแผ่นดินอยู่นี่ <c oughs> ต้องนึกอย่างนั้นเสมอเสมอเสมอเสมอ ทรัพในไต่โลกธาตุมันเป็นทรัพย์ของพุทธสีจจำพวกสมมาสัมพุทธจำพวกหนึ่งัจเจ ก, กพุทธจำพวกหนึ่งอรหันต์ตา พ, พุทธจำพวกหนึ่งอรหันตตาพุทธหมายถึงเพศหญิงด้วยเพศชายด้วยหรือสาวิกาพุทธจำพวกหนึ่งหรือสือสาวกพุทธจำพวกหนึ่งหมายถึงนามพิษณีอรหันต หมายถึงสาวกผู้ชายอรหรันต์พระปัจเจกจ๊ะพวกหนึ่งพระปัจเจกล่วงไปแล้วตั้งล้านล่านพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วก็ตั้งล่านล่า น, า เ, าา น, านเหมือนกันสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นก็นับไม่ไหวเสียแล้รทรัพย์ในใจโลกธาตุท่านเหล่านั้นคายหมดเสียแล้ ไม่ต่อสู้ไม่เอามาเป็นทรัพย์ของตัววางปล่อยจาโรโภตินิสโค เ, ออเหมือนกําแดดกําลมกําแล้วก็มีแต่มือของตน อ, อมันไม่อยู่ใช่แล้วมันไม่อยู่ในอํานาจวาสนาเบือ่อหนาคาหมาทอดทิ้ง <c oughs> เหมือนน้าลายบ้วนทิ้งแต่พวกเรากเกลียดมากมาแย่งน้าลายของพระนิจเจ้าทาั้งหลายเหล่านะรบลาข่าวันกูข่ามึงมึงข้ากูกูแย่งมึงมึงแย่งกู ตลอดถึงในระหว่างประเทศต่อประเทศในระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดบุคคลต่อบุคคลอีกถ้าค่ายก็หมู่นอนพิ้นคว่ำพริ้งหงายพิษคว่ำพิ้งหงายอยู่ในกองมูกลกองพูดเนะพราะถือว่าเป็นของทิพย์ความเป็นจริงมันไม่ใช่โลกทิพย์โลกทิพย์ในทางทุกข์เท่านั้นแหละเขาว่าโลกพระนิพพานมันเหนือโลกทิพย์ไปแล้วนะ่ะไม่บรรยาดว่าทิพย์นั้น ไม่ใช่โรคทิพย์โรคทุกข์ความทุกข์มันก็จัดเป็นทิพย์ทางทุกข์แล้วพี่นาเห็นอย่างนี้มันเป็นตัวศีลมันเป็นตัวสมาธิมันเป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวเพราะไม่ใช่สมาธิหัวต่อ พระไม่ใช่ปัญญาจะหาอุบายอยู่ในโลกปัญญาจะออกจากโลกแต่ไม่ประมาทโลกประมาทความหลงของตนต่างหากประมาทความหลงของตนที่มาหลงโลกไม่ได้ประมาทโลกไม่ได้ประมาทสังขารประมาทความหลงของตอนที่มาสง่งหลงสังขารมาหลงโลกต่างหากโลกก็เป็นโลกอย่างนี้เขาไม่ได้เชื่อเชิญให้เรามาเกิดแก่เก็บตายอยู่ในแผ่นดินนี้กิเลสเรามีเรามาเอง ดีนามานาก็ไม่ได้เชือเชิญเรามาแต่ว่าจิียรติของเรามีเราก็มาเกิดร่วมท่านเคยได้สร้างมานมีกับท่าน